คิดว่าคราวนี้คงไปไม่นานและก็ขอให้พวกเราที่อยู่ทางวัดก็ให้ตั้งอกตั้งใจสั่งสมขุนงามความดีครูบาอาจารย์หลวงพ่ออยู่หรือไม่อยู่ก็ให้เหมือนเก่าเพราะเหตุไรให้พวกเราจับไฟหรือซิว่าหลวงพ่ออยู่นะจับร้อนไหมหลวงพ่อไม่อยู่จับมันร้อนไหมมันเหมือนเก่านี้ก็เหมือนกัน หลวงพ่ออยู่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้พวกท่านทั้งหลายได้มิเทวะอยู่ให้เป็นหลักยึดทางจิตใจเท่านั้นเองถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่ยึดก็อย่างว่าเผลอๆยังดูถูกหลวงพ่ออีกต่างหากอแต่ถ้าพวกท่านไม่มีที่หลักยึดแล้วก็อย่างว่าเหมือนกันต้องมีที่รับต้องมีที่แจ้งต้องมีหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อไม่อยู่ฮ ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ก็ทําอีกแบบหนึ่งถ้าหลวงพ่ออยู่ก็ทําอีกแบบหนึ่งอันนั้นใช้ไม่ได้นะหลอกตอนเองอันนั้นเป็นการหลอกตอนเองอย่างที่หลวงพ่อไปวัดหลวงปู่เพียนที่ไปชี้จุดเจดีที่จะสร้างเมื่อไม่กี่วันหลวงพ่อก็ได้ปลาลบกับพระพระที่หมู่พวกเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เพียรหลวงพ่อประวัตเนี่ยแต่ก่อน เรามาวัดของครูบาอาจารย์อย่างวัดหลวงปู่เพียเนี่ยนะพอเรามาแล้วก็นั่งเงียบสงบแล้วก็อบอุ่นนะเงียบสงบแล้วก็อบอุ่นแต่มาคราวนี้เงียบจริงๆแต่มันจ้อยๆคล้ายๆมันเย็นๆทางด้านจิตใจใคลายๆว่าครูบาอาจารย์ไม่อยู่มันก็อีกลักษณะหนึ่งเหมือนกัน ถ้าครูบาอาจารย์อยู่มันก็อบอุ่นแบบหนึ่งถึงจะสงบยังไงเงียบขนาดไหนกระถางจิตใจก็มีที่พึ่งอันนี้ก็เนะี่ยพวกท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่ผมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นที่พึ่งถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวส่วนร่างกายสมมติว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรครูบาอาจารย์อยูอ่ผมก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ช่วยให้ ไม่ช่วยไม่ใช่ใจะช่วยว่าพยามัจยุราชมาหลวงพ่อจะสู้กับพยามัจยุราชไม่ให้เข้ามาบีบคอลูกศิษย์ลูกหาไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะพยามัจยุราชก็พร้อมที่จะบีบคอหลวงพ่ออีกเหมือนกันจุดนั้นช่วยไม่ได้เพราะงั้นพอตอนพวกเราให้เตรียมให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เมื่อครูบาอาจารย์อยู่จับไฟก็ร้อนครูบาอาจารย์ไม่อยู่จับไฟก็ร้อนนะให้เรากิดอย่างนั้นเพราะนั้นถึงครูบาอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่เราก็ต้องทำอย่างที่ครูบาอาจารย์อยู่นะให้คงเส้นคงวาให้หนักแน่นในเมื่อต่อไปภายภาคหน้าเราเป็นผู้ใหญ่หญขึ้นมาเราหนีออกจากครูบาอาจารย์ไปเป็นหลัก ก็เป็นหลักที่แท้จริงออไม่เป็นหลักปักขี้เลนแต่ถ้าว่าอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ทำอย่างหนึ่งอยู่รับหลังครูบาอาจารย์ทำอย่างหนึ่งพอไปเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าครับเป็นไม้ปักไม้หลักปักขี้เลนนะมั้อไงแต่หากดทาเกณฑไม่ได้เพราะนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้น อ, อ, อยู่กับครูบาอาจารย์พยายามสร้างหลักฐานให้จิตในจิตใจให้มั่นคง อยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนข้อตามไม่ใช่อยู่กับผมเท่านั้นนะอยู่กับองค์ใดข้อตามพยายามให้สังเกตตาดูหูฟังใจให้ซํำเนียกให้คิดให้ไตรตรองด้วยเหตุผลในการเป็นอยู่น่แหละพวกท่านทั้งหลายอยู่ณสถานที่ใดอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยศรัทธาอยู่ด้วยความเพียรอยู่ด้วยความอดทนอยู่ที่ไหนดีหมดนั่นล่ะ แต่ถ้าว่าพวกท่านจิตใจเลาะแหละหาความอดทนไม่ได้หาความเพียรพยายามไม่ได้หาปัญญาไม่ได้สติเลื่อนลอยถึงจะไปอยู่โลกพระทิศพระจันทร์ก็ไปเถอะอไปอยู่แต่โลกพรนะทิศพระทิศพระจันทร์นอ่นไปอยู่กับครูบาอาจารย์ระดับไหนก็เถอะอถึงท่านที่เป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระอรหรอันต์ก็เถอะถ้าเราไปอยู่กับเหมือนกับกาไปจับภูเขาทองอย่างนั้น่ะ ตัวเองก็ดำปีมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาลุดหล็กลุกหล็กอยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์อย่างเทวธาตุไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าเพลเพลจะฆ่าพระพุทธเจ้าอีกต่างหากบาปกรรมยิ่งหนักใหญเข้าไปอีกถ้าอยู่ไกลพระพุทธเจ้าเลยยังเป็นยังดีกว่าเพราะเราจะคิดฆ่าไม่ได้ไปอยู่ใกลนะ้เลยยิ่งคิดฆ่าท่านอีกบาปกรรมยิ่งหนักเข้าไปอีกค่ะ เพราะนั้นกรรมตัวนี่การกระทําตัวนี้นะ่ยความคิดตัวนี้เนะ่ยเราจะใช้ให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือทางเห็นความเห็นที่ถูกต้องอย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นความเห็นผิดนะถ้าเห็นผิดแล้วนะ่ะน่ากลัวมากถ้าสัมมาทิฏฐิแล้วไปอยู่ณสถานที่ใดดีทั้งหมดกรรมคือการกระทําอัตติอั ต, ตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตน โหินาโธปรโรสิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราน ะ, ะให้พวกเราตั้งใจนะหลวงพ่ออยู่แล้วไม่อยู่ก็ให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มฉันนั้นน่ะเกลือตกไปอยู่ในสถานที่ใดเวลาใดมันจะรักษาความเค็มของมันไว้เสมอนี้ก็เหมือนกันใจของเราควรจะรักษาคุณงามความดี เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มของตอนเองอย่างนั้น่ะผู้ที่จะบวชก็เหมือนกันหนากก็ทั้งอกตั้งใจนะถึงจะบวชเวลาน้อยบวชมากบวชน้อยก็ให้ตั้งใจกลางคืนหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อเองไม่ได้ตำหนิตัวเองนะทุกวันเนี่ยว่าข้าวหลวงพ่อเองยอนในการอบรมในการให้ความรู้แก่ลูกหลานที่เข้ามาศึกษา หลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้นหลวงพ่อคิดว่าพวกท่านทั้งหลายฟังเถอะนะกลางคืนธรรมเทศนาของหลวงตาเปิดฟังเลยหลวงพ่อก็ฟังอย่างพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายฟังเดี๋ยวนี้แหละที่เข้าไปศึกษากับหลวงตาไม่แพ้กันแปลว่าเอาปลากระป๋องมาอาจเป็นปลากระป๋องเท่านั้นแหละไม่ได้สดเพราะงั้นแต่แต่หลวงพ่อฟังนะฟังสดจากท่าน แต่ถึงจะฟังสดหรือปลากระป๋องก็เถก็คือเนื้อหาสาระอันเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจฟังพยายามฟังหลายครั้งต่อหลายหนอย่างน้อยฟังวันละหนึ่งกันนั่งฟังจริงๆนะหนึ่งกันนะหนึ่งกันเทศของหลวงตาวันละหนึ่งกันหนึ่งกันนะนี่แหละพวกท่านจะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาเกิดความเพียรเกิดความรู้แจง้งเห็นจริงในจิตใจ อันนั้นละผู้ใยในการศึกษาต้องเป็นอย่างนั้นถ้าพวกมาอยู่เฉยๆเหมือนเหมือนกับกระรอกกระแตมาอยู่กับวัดหลวงพ่ออย่างนั่นเน่ยเก้งกวางหมูปง่งหมูป่าลีงข้างบางชนีมาอยู่ที่วัดหลวงพ่ออยู่เท่าไหร่ก็เป็น เ, เป็นมดเป็นปลวก เ, เป็นเก้งเป็นกวางเป็นกระรอกกระแตอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่เป็นอย่างอื่นพวกเราอย่าให้เป็นอย่างนั้น เ, เราฝึกหัดดัดนิสัย ต่อไปต่สมัยก่อนเราเป็นผู้หูหนวกตาบอดคำว่าหูหนวกตาบอดคำนี้ก็คือหูของเราถึงจะได้ยินมาก็เหมือนกับหูกระทะหูกระเช้าหูกระช้าหูหมอค้างหูหมอโลหูตะก้าเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์หูอย่างนั้นตาก็เหมือนกันตาไม้สักตาไม้สร้างอตาไม้ตาไม่เกิดประโยชน์ตาไม่มีปัญญา แต่บัด น, นี้พวกเราเข้ามาศึกษาหูได้ยินฟังส่งเข้าถึงใจคิดไตรตรองเหตุและผลสิ่งที่ ท, ที่ได้ยินตาเห็นมวัดว่าศ า, ศาสนาครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านปฏิบัติตนอย่างไรจากนั้นเราก็ศึกษาในพระไตรปิฎกอีกมิใช่ว่าเราจะศึกษาแต่พระอย่างเดียวเราศึกษาในหนังสืออีกตำราอีกเพราะพระกลุ่มนี้ท่านเหล่านี้ ปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมวินัยไหมฮะมันผิดแปลกแตกต่างจากอยากหลักธรรมวินัยจุดไหนฮะอันนี้เราก็ศึกษาอีกตาหูดูเออตาให้ดูหูให้ฟังเอ่อแล้วก็สังเกตคิดไตรตรองรู้เหตุและผลอีกเออจากนั้นก็เมื่อเห็นรู้เหตุผลแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติแก้ไขปรปับปรุงกายวาใจาใจของตนเองเองอีกฮะ ไม่ใช่ได้เห็นได้ยินแล้วก็ผ่านไปเหมือนสา์น้ําใส่หลังหมาอย่างนั้นนะอสา์ใส่แล้วก็สัน่นเทือนแล้วก็ไปเขาสาดสัส่นเทือนแล้วก็ไปอถ้าว่าได้เห็นได้ยินแล้วไม่ได้นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาจใจของตนอันนั้นเหมือนสา์น้ำใส่หลังหมารู้แล้วก็ผ่านผ่านไปพุทนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาให้เกิดสติ ให้เกิดสติให้เกิดปัญญาในใจของเราให้คิดไตรตรองเหตุและผลเพราะนั้นหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ได้ตาหนิตนเองอย่างที่ว่านันนะเพราะว่าหลวงพ่อมีธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในอากาศเต็มไปหมดอยู่แทรกอยู่ในอากาศทุกอนุวัติงนพวกเราเปิดฟังเวลาไหนก็ได้ยินธรรมเทศนาเลยว่าไงนะเพราะนั้น หลวงพ่อยังไม่ได้คิดเออเราเนี่ยขาดการอบรมแต่ตอนเช้าอย่างเนี้ยหลวงพ่อก็ได้พูดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพอพวกเราเข้ามาศึกษาหลวงพ่อก็พยายามคิดเอาแง่ไหนเหลี่ยมไหนมุมไหนที่จะมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาให้ได้ยินออพอกผูนสติปัญญาทีละน้อยละน้อยแต่ละวันถ้าพวกเราเข้ามาศึกษานะเมื่อพวกเราได้ฟังแล้วต่อไปภายภาคหน้า สมบัติที่พวกเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แต่ละวี่แต่ละวันแต่ละครั้งแต่ละสำนักนะพวกเราก็พอกผูนในจิตใจพวกเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็พร้อมที่จะแนะนำสั่งสอนหรือว่าอาศัยที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วอย่างผมเป็นต้นผมก็จะสมัยเป็นเนนไปศึกษาจากครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาจากไม่เป็นมาเป็นพระนมก็สังเกต ทั้งกระทำการทำงานโดยทั้งฟังโวยทั้งศึกษาโดยทั้งปฏิบัติด้วยต่อมาก็เป็นพระมีอายุพรรษาขึ้นมาก็ศึกษาอีกในระดับหนึ่งแล้วกัการวางแผนสําหรับตนเองอีกต่างหากเท่นี่จนได้ออกมาเป็นออกมาสู่สวัดวาศาสนาจนเป็นหัวหน้าอย่างทุกวันนี้หลวงพ่อเองก็ยังค้นคว้าศึกษาเหมือนกันหัวหน้าควรจะทําอย่างไรในเมื่อเราเป็นลูกน้อง มองย้อนหลังไปเป็นยังไงเรื่อเมื่อมองย้อนหลังไปเมื่อเป็นลูกน้องเห็นแต่ละองค์ที่อยู่ด้วยกันเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นทําตนอย่างไรเป็นบทเรียนของผมทั้งหมดอันที่ผ่านมานั่นแหละบทเรียนน่ะจากนั้นเมื่อเป็นบทเรียนเรียนจบแล้วก็มาสอนพวกท่าน่ะพวกท่านทั้งหลายอย่าทําอย่างนั้นนะเออย่างนี้แหละอย่ามีที่ลับอย่ามีที่แจ้งนะต่อหน้าเป็นลูกพับรับหลังเป็นตะโก้ไม่ได้นะ ไม่เชื่อนะไม่เชื่อกล้ำไม่เชื่อไม่เชื่อผลของกล้ำนะผมผมรู้มาแล้วผมผ่านมาแล้วผมเห็นมาแล้วในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแหละอันนี้คือบทเรียนของผมทั้งหมดเพราะนั้นที่นํามาพูดเนี่ยโดยมากจะนําบทเรียนเก่าที่ผ่านมาแล้วมาแนะนํามาสังสอนมาบอกกล่าวพวกท่านทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังจากนั้นก็คนหนึ่ง ออย่างพวกเราดิไม่ได้ยินได้ฟังเฉเลยไปตํานามตาตอไปถูกเสือกัดงูกัดซะก่อนจึงเรียนรู้กับครูบาอาจารย์บอกว่างูอจงอางมันพิษร้ายนะงูเห่ามันพิษร้ายนะองูกระปะนะงูสามเหลี่ยมนะองูแมวเชานะอมันพิษร้ายนะอแต่งูอย่างอื่นงูสาบ่ะงูคอแดงอะ อันนั้นพิษไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะถ้าครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนให้เรียนให้บอกกล่าวให้เราเรียรู้แล้วเราก็จะได้กลีกอสรพิษตัวไหนพิษร้ายตัวไหนพิษไม่แรงฮะตัวไหนไม่มีพิษเลยอย่างนี้จะไม่ดีกว่าเลย อ, อันนี้ น, นี่ผมคิดว่าอย่างนั้นที่แนะนําบอกกล่าวให้แก่หมูพวกเพื่อนศรัทธาญาติโยมจุดนั้นเป็นอย่างนี้นะจุดนี้เป็นอย่างนั้นนะเพื่อการศึกษาถ้าไม่เชื่อก็ทดลองดูก็ได้ จับไฟมันร้อนนะเอ๊ะหลวงพ่อบอกว่าจับไฟมันลองดูสิวะแต่จะไปจับบากนะแต่ไปจับไฟฟ้านะมันช็อตเนี่ยตายได้จริงๆนะอจับนิดๆหน่อยไม่เป็นไรทดลองดูมันไฟมันร้อนยังไงนี่ก็เหมือนกันนะั่นแหละแต่อย่าอย่าลองดีกว่าความชั่วอย่าทดลองดีกว่าความชั่ ว, นะอ ท, อ ว, ว, วทองก็ไปแล้วมันไหม้ตนเองนะมันขอให้พวกเราทุกๆกทานหน้าที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแนวความคิด เป็นการแนะนำสังสอนบอกกล่าวให้แกพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็เมื่อวานนี้มีพระมาจากวัดหลวงปู่เหลียญหลวงปู่เหลียนได้วันละจะไปชมเพลิงหรือพร ะ, พ ร, ะราชทานเพลิงหลวงปู่หลวงปู่ของเราหลวงปู่เหลียนเนี่ยวันที่สิบสี่ธันวาและก็วันที่สิบเอ็ดเคลื่อนศพหลวงปู่ เขาในมณ์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมแต่หลวงพ่อไม่ปฏิเสธวันที่สิบเอ็วันที่สิบสองสิบสามสิบสี่ 12, 13, 14, เป็นวันพระราชทานเพลิงหลวงปู่ตีพระมาเมื่อวานนี้หลวงพ่อเ อ, อ้ยินดีอนุมโมทนาให้จบจบไปเพราะคอยนานแล้วทั้งสี่ปีแล้วอันนี้จะเข้าปีที่ห้าแล้ว นวนานานลงตาหาบัวั้งเออทำไมลงปู่เหรียญนี่ยทำไมนานนักนาลงปู่กัท่านปาลารบอยู่แต่บัดนี้มีวันแล้วในเวลาแล้วครูบายจานร่งรยไปร่งรยไปออไม่ใช่ไม่เป็นผลดีนะเป็นผลเสียสำหรับลูกหลานออสำหรับนกกากระรอกกระแตพึ่งพาอาศัยครูบายจานร่วงรยไปออหมดไปหมดไป ครูบาอาจารย์ที่มีกฎมีเกณฑ์มีธรรมะที่จะสอนพวกเราเพราะนั้นพวกเราให้ถึงครูบาอาจารย์จะล่วงลับดับขันไปพวกเราพยายามตั้งตนให้ได้อย่างที่พระในครั้งพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอีกสามเดือนนะอีกสามเดือนจากนี้ไปเราตถาคตจะปรินิพานแล้วจะตายแล้ ว, วง่ายง่ายอีกสามเดือนจากนี้ไป เราตถาคตจะปรินิพพานนะนะเพราะพยามารมาในมนแล้วเราจะได้จากไปวันที่เท่านั้นเดือนนั้นปีนั้นเนี่ยพระองค์บอกชัดเจนนะวันเดือนหกแผ่นนะทะนีีพระองค์พระสงฆ์ทั้งหลายพอได้ยินข่าวว่าพระพระุทธเจ้าจะปรินิพพานเท่นั้นอ่ะมะลุมมะตุ่มมะลุมมะตุ่มถึงโอ้เป็นห่วงเป็นใหญ่จะช่วยเหลือยังไงพระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกตาไม่กระพริบเลยวั้นเถะ จะเข้าไปช่วยพระพุทธเจ้าได้ยังไงจะรับใช้พระพุทธเจ้าได้ยังไงจะฟังพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายัางไงจะดูอากับกิริยาของพระพุทธเจ้าที่แสดงออกอย่างไรท่านเป็นปราชมหาปราชปราชในโลกปราชใหญ่ที่สุดในโลกลูกศิษย์ลูกหาน ก, กาอาจะเข้าไปพึ่งพาอาศัยดูยางานศึกษาเนี่แหละสมัยนั้น พระสงกั้งหลายร้อยหลายพันเป็นจังหวัดนับว่านับวาห้าร้อยหนึ่งงั้นแต่คงจะมากกว่านั้นต่างองค์ก็ต่างอยากัเข้าไปใกล้เพราะได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานแล้วแต่มีพระองค์หนึ่งพอได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานโอ้โหตายเรายังมีกิเลสเต็มหัวใจอยู่เราควรจะไปเร่งความเพียร น, นะ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินเพปานถ้ามีปัญหาอะไรเราจะได้ถามพระพุทธเจ้าได้เข้าไปกราบทูลถามในขณะที่ท่านทรงพระชนอยู่เนะี่ยเราไม่พลาดกลัวไม่เราไม่ควรจะพลาดโอกาสเราควรจะเร่งความเพียรของเราพระเอานั้นก็ไม่ได้เข้าไปมาลุมมาตุ้มกับหมูงั้นเหรอหลีกออกอย่างหมูเป็นนั่งภาวนาเร่งความเพียรเดินโยกรมปฏิบัติอยู่ตามลําพังแปลว่าเอายังเด็ดเดียวอืม เกือบท่ว่าสู้กับกิเลสตาไม่กระพริบก็แล้วกันเพางั้นอะพระสงฆ์ทางหลายกัเห็นองค์นั้นอะไม่มาใกล้หมู่ไปเห็นแต่ไปที่นั่งอยู่ที่อื่นอไปบําเพ็ญอยู่ที่อื่นเดินยงกรมที่อื่นไปไปแล้วไม่มามาลุมมาตุ้มกับพวกหมู่พวกหมู่โอโหกุรีกูจอองค์หนึ่งช่วยหนึ่งองค์หนึ่งช่วยหนึ่งว่างั้นอะพระสงฆ์ก็เลยคล้ายๆว่าเครืองกันนะว่างั้นอะ ทำไมทั้งที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานสามเดือนอยู่แล้วทําไมจึงเมื่อเฉยถึงขนาดนั้นไนอะ้พวกที่มองนะตอนนี้พระสง์เหล่านี้ก็ไปกราบพระพุทธรูปพระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์บางองค์ไม่ได้มาสนใจเลยทั้งที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานแล้วรู้แก่ใจอยู่แล้วพระองค์จะปรินิพานแต่ท่านองค์นั้นก็เฉยไม่ได้สนใจพระพุทธองค์บอกที่ไหนองค์ไหนบอกมาสิไปบอกมา พระพุทธเจ้าหาเหตุตงนั้นคือให้ให้มีเหตุให้มีเหตุไว้งั้นละและพระพุทธเจ้าจะแสดงผลให้ฟังเนี่ยบอกมาพระสงฆ์ก็จ้องอยู่แล้วใช่ไหมก็รีบไปบอกท่านพระพุทธเจ้าสั่งให้เข้าไปเฝ้านะไปไปเดี๋ยวนี้พาเอานั้นก็นไปแหละพอไปก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามภิกษุ เธอทำไมเธอเราทราบว่าเธอเนี่ยห่างเหินเนมินไม่ไม่ไม่มาใกล้เราเลยทั้งที่เราจะปรินิพานสามเดือนลักษณะอย่างนั้นอะ่ะแต่ท่านทําไมเฉยเฉยไม่เมย ไ, ไม่เข้ามาสนใจ เ, นเพราะเหตุอะไร ห, หาเหตุผลพระองค์นั้นก็บอกว่าข้าพระองค์ทราบว่าพระพุทธองค์จะปรินิพานในสามเดือนข้างหน้าเนี่ย ข้าพระองค์ยังเป็นปุตุชนอยู่ยังมีกิเลสอยู่ใน จ, ใจิตใจเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่สบายใจไม่มั่นใจเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วก็ไม่รู้จะถามใครเพราะฉะนั้นข้าพระองค์พระองค์ยังสงพระพุทธองค์ยังสงพระชนอยู่เนี่ยข้าพระเจ้าจะพยายามเร่งความภาคเพีลินคาดว่ามีความตรงไหนจุดไหนสงสัยจะได้มากราบถามทูลถามพระพุทธเจ้าแต่บัดนี้ นะคระองค์ก็ได้พยายามทําความภากเปลี่ยนจึงไม่ได้เข้ามาใกล้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะขอโทษขออภัยลักษณะอย่างนั้นน่ะพระพุทธองค์บอกว่านี่แหละภิกษุทั้งหลายควรเอาเป็นตัวอย่างพวกท่านทั้งหลายมาปลงมาลุม่มมาตุ่ม น, นะ้กิมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการปฏิบัติบูบชาเนี่ะพงองค์นี่แหละคือการปฏิบัติตนให้เป็นพระที่ดีชาระกิเลสในจิตใจ นี่แหละเป็นการบูชาและการปฏิบัติเราอย่างเลิศผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นคือเหมือนกับผู้ปฏิบัติเราผู้ผู้ใดปฏิบัติสมควรแก่ธรรมผู้นั้นแหละคือปฏิบัติเราเพราะพระไตรยาว่าท่านว่าผู้ใดอยู่ในกรอบในศีลในธรรมในการประพฤติปฏิบัติเสาะแสวงหาทางผลถุกผู้นั้นแหละ เป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเป็นปฏิบัติบูชาแต่พวกเราเข้ามาดูแลรักษาเนี่ยก็อามิดชบูชาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่พุทธองค์ว่าปฏิบัติบูชานะั้นเลิศกว่าประเสริฐกว่านี่แหละพระพุทธเจ้ากับกยกจ่องพระภิกษุองค์นั้นอีกต่างหากที่นี่นี่แหละพระพุทธเจ้าดีท่าน สมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลจริงๆนะพวกเรามาพิจารณามพิจารณาไตรายตองด้วยเหตุด้วยผลดูแล้วการปฏิบัติบูบชาเนืเลิศประเสริฐเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะเรื่องทำจิตตภาวนาเรื่องถึงจะอยู่ห่างไกลครูคบาอาจารย์ก็ตามเหมือนกับอยู่ใกล้ถ้าเราปฏิบัติเป็นศีลเป็นธรรมแล้วแต่ถ้าว่าพวกเราจิตใจออกนอกรูนอกทางนู่นเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะ ตัวไหนก็ไม่รู้ขนมารุมมาทุ่มถึงจะจับชายชบงจีวรของครูบาอาจารย์อยู่ก็เหมือนกับอยู่ไกลทัานว่าอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเราให้อยู่ใกล้ก็คือทําใจให้ตัวเองเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาจิตใจของเราให้สงบให้มีธรรมอยู่เสมอนั่นแหละอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นนะวันนี้ให้แนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายในแง่มุมหนึ่งะตอนนี้ไปรับพร